สองไอยิคาสูตรว่าด้วยพระออยิคาของพระเจ้าปเปเสนทิโกสนเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถี ครั้งนั้นพระเจ้าประเสนธิโกสลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนธิโกสลผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิษพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประเสนธิโกสลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งช้างแก้วเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอายุกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยหากข้าพระองค์ใช้ม้าแก้วแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอายุกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งม้าแก้วเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอายุกาของเราอย่าได้ทีุ่วงคตเลย หากข้าพระองค์ใช้บ้านสวยแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอายิกาของเราอย่าได้ที่วงคดเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งบ้านสวยเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอายิกาของเราอย่าได้ที่วงคดเลยหากข้าพระองค์ใช้ชนบทแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอายกาของเราอย่าได้ที่วงคดเลย ข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งชนบทเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอายค่าของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ร่วมพ้นความตายไปได้มหาบพิษภาชนะดินดชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งดิบและสุกภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่พ้นความแตกไปได้แม้ฉันใด มหาปพิธสัตว์ทั้งปวงก็มีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคสาศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาพระพันต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งปวงจักตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลบุญและบาปคือ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 เมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุก์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 3. โมหะธรรมเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุก์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกมหาบพิษทำสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกเพื่อความอยู่ไม่ผาสุก พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทรามดุดขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นโลกะสูตรที่สามจบ อิสัตถสูตรว่าด้วยทานที่ประกอบด้วยองค์ห้ามีผลมากเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระเจ้าเปเสนธิโกสลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลควรให้ทานณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบาพิษ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 อาตมาภาพจักย้อนถามพระองค์ในปัญหาข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระไทยอย่างไดพึงชี้แจงอย่างนั้นพระองค์จะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้การยุทิพึงปรากฏเฉพาะพระภาคของพระองค์สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกเปรือไม่มีความชํานาญไม่ได้ประลองการยิงเป็นคนขลาดหวาดระดุ้ง มักวิ่งหนีมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยถ้าพรามหนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาละถึงมาอาสาละถึงถ้าแพทย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษามาอาสา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 สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วได้ฝึกปลือแล้วมีความชำนาญได้ฝึกการยิงมาแล้วไม่เป็นคนคลาดไม่หวาดสะดุ่งไม่หลบหนีมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้น และข้ Adams, ขา italiano, พระองค์พึงต้องการคนเช sure ่นนั้นถ้าพรามหนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วละถึงมาอาสาถ้าแพทย์หนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วมาอาสาถ้าสูตรหนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือฉันนั้นนั่นแหละมหาปพิธ แม่หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดและกุลบุตรนั้นเป็นผู้ละองค์5เป็นผู้ประกอบด้วยองค์าทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้นจากตระกูลนั้นย่อมมีผลมาก บ้างอันกลุล บ, บุตรนั้นละได้คือ 1. กามฉันทะความพอใจในกามอันกลุล บ, บุตรนั้นละได้ 2. พยาบาทความคิดปองร้ายอันกลุล บ, บุตรนั้นละได้ 3. ถีนมิทะความหดหูและเสื่องซึมอันกลุล บ, บุตรนั้นละได้ 4. อุท จ, จกักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ อันกุลรบุนั้นละได้หวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันกุลรบุนั้นละได้องห้านี้แหละอันกุลระบุนั้นละได้ คุณระบุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5อะไรบ้างคือคุณระบุตนั้น 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันของพระอาเซกะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันของพระอาเซกะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันของพระอาเคกะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติขันของพระอาเซกะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติยานทัศนขันของพระอเซกะคุณระบุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละทานที่ให้แล้วในคุณระบุผู้ละองค์หผู้ประกอบด้วยองค์หย่อมมีผลมาก มีประภาผู้สุขศาสดาและถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศิละปะธนูกำลังและความเพียรมีอยู่ในชายใดพระราชาผู้ทรงการยุทธพึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นนั้นไม่พึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหารเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดธรรมคือขันติและโสระ จ, จะตั้งอยู่ในบุคคลใด บุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะแม้มีชาติตรกูลต่ำฉันนั้นเหมือนกันบุคคลพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมอา ร, ราธนาพระพระหูสูตรทั้งหลายให้อยู่ณที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดานน้ำและสร้างสะพานในที่เป็นหลงพึงถวายข้าวน้าของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะ ในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยใจอันเลื่อมใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปรปราบมียอดตั้งร้อยคำรามอยู่ตกรถแผ่นดินทำที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ชันใดถ้ายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วตกแต่งโภชนาหารเลี้ยงวันิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มน้ำเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให ท่านทั้งหลายจงให้และทายกนั้นบรรเลอเสียงเหมือนเมฆคำรามเหมือนฝนกำลังตกสายทานแห่งบุญอันไพยบูนั้นย่อมหลงรถทายกผู้ให้ฉันนั้นอิสัตสูตรที่สี่จบ ปัปพโตปะมะสูตรว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุษภูเขาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโคสลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าระเสนทิโสลผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่า เชิญเถิดมหาบพิธพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประเสนที่ขสนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระสัตราที่ราชผู้ได้มรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตพีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใด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 ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกําลังกลิ้งบทสัตว์ทั้งปวงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดลําดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศตะวันตกและถึงต่อจากนั้นบุรุษคนที่สามผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศเหนือ ต่อจากนั้นบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศใต้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะใต้ฝาละ อ, องทุลีพระบาทข้าพระองค์มาจากทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆ ก, กำลังกลิ้งบทสัตว์ทั้งปวงพระเจ้าค่าขอพระองค์ทรงกระทาสิ่งที่พึงกระทาเถิดเมื่อมาหาภัยร้ายกาศ ที่จะทำให้มนุษย์ <ate> สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมหาภัยร้ายกาศที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทาในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยาก นอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาปพิธอาตมภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบชาราและมรณะย่อมครอบงำพระองค์เมื่อชาราและมรณะครอบงำพระองค์อยู่อร่อยเหล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชาราและมรณะครอบงำข้าพระองค์อยู่ อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์คนกระทานอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ที่ราชผู้ได้มรทาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุ่มแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัทพีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ ทรงทำการรบด้วยพลช้างเหล่าใดเมื่อชาราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยพลช้างแม้เหล่านั้นกษัตริย์ที่ราชผู้ได้มรทาพิเศษแล้วละถึงผู้ชนะปัตถพีมณฑนใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงทำการรบด้วยพลม้าเหล่าใดรบด้วยพลรถเหล่าใดรบด้วยพลเดินเท้าแม้เหล่าใด เมื่อชาราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทําการรบด้วยพลเดินเท้าแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชตรกูลนี้มหาอมารรผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทําลายข้าศึกที่ยกทัพมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อชาราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัย ที่จะทาการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งในราชตรกูลนี้เงินทอง ท, งทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแยให้ข้าศึกที่ยกทัพมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อชราและมรณะครอบงำก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัย ที่จะทําการรบด้วยทัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อชาราและมรณะครอบเมามอยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทํานอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็เมื่อชาราและมรณะครอบเมามอยู่ อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทานอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้เขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยสิลาสูงจุดท้องฟ้าเกลี้ยงบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมรณะก็ฉันนั้น ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขคยะไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่อมยีเหล่าสัตว์ทั้งสิ้นณนะที่นั้นไม่มียุทธ ภ, ภูมิสำหรับพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา เมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัท ธ, ธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์ปปัตโตปะมะสูตรที่หจบวรที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปุคละสูตร 2. อายิคาสูตร 3. โลกะสูตร 4. อิสัต t สูตร 5. ปับพโตปะมะสูตรพระสูตรว่าด้วยคุศสนห้าสูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเศรศสริฐทรงแสดงไว้แล้วโกสละสังยุตจบบริบูรณ พระสังยุตต์หนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งตโปรกรมรมะสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญตบะเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอาชะาละนิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหลีกเรนอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วหนอจากทุกกระกิริยานั้นเราเป็นผู้พ้นดีแล้วหนอจากทุกระกิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราเป็นผู้บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 เรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งปวงหาอํานวยประโยชน์ให้ไหม่ดูดไม้พายหรือไม้ทอไม่อํานวยประโยชน์บนบกฉะนั้นจึงเจริญมักคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วมารผู้กระทาซึ่งที่สุดเราได้กําจัดท่านเสียแล้ว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 นาคสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้างขขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอาชะปานลนิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตาบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิด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 มีงวงเหมือนงอนไถใหญ่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่าท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดการอันยาวนานมารผู้มีบาปเอย๋ยพอกันทีสำหรับการแปลงกายของท่านมารผู้กระทาซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้ว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 มารผู้มีบาปละถึงจึงหายตัวไปหน้าที่นั้นเองสุภูตูที่สามจบ 4. ปฐมมามาระปา ส, สูตรว่าด้วยบวงแห่งมารสูตรที่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดาบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนบฤรุกทายวันเข ค, ครุญพรารานสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวิมุตติ ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเราบรรลุแล้ววิมุตติอันยอดเยี่ยมเรากระทำให้แจ้งแล้วเพราะมนุการโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายแม้เธอทั้งหลายก็จงบรรลุวิมุตติอันยอดเยี่ยมจงกระทำวิมุตติอันยอดเยี่ยมให้แจ้งเพราะมนุการโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายเถิดครั้งนั้น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 แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุทลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จากมีผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านได้ถูกบวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้วท่านได้ถูกเครื่องพันธนาการมากมายผูกไว้แล้ว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 มารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั่นเองทุติยมารป า, าสูตรที่หจบ 6. สั ป, ปะสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู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 ความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงแปลงกายเป็นพญางูใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญางูนั้นมีกายเหมือนเรือลำใหญ่ที่ขุดด้วยสุงทั้งต้นมีพังพานเหมือนเสือลำแผนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของช่างทำสุรามีในตาเหมือนถาสมริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศล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 มุนีนั้นสำรวมตนได้แล้วเขาสละความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไปเพราะการสละความอาลัยในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้นเหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้นสัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึ่งเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุกชุมแต่มหามุนีผู้อยู่ในเรือนว่างไม่วันไหวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นแม้เพียงขนลุก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 ครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านหลับหรือทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าท่านหลับเหมือนตายชิวหรือท่านหลับโดยคิดว่าเราได้เรือนร่างอย่างนั้นหรือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าผู้ไม่มีตัณหาดุจตะข่ายซึ่งสร้างไปในอารมณ์ต่างๆที่จะนำไปสู่พบไหนไหนถึงหลับอยู่ก็ชื่อว่าตื่นเพราะอุปธิทั้งปวงสิ้นไปเรื่องอะไรของท่านในเรื่องนี้เล่ามารครั้งนั้นมารผู้มีบาป จึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองสุปฏิสูตรที่7จบ